ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องเทน้ำใจตอนที่สี่มิตรภาพที่รักโดยสมณทซาบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่28ดกรกดาคม2545น้าบห้าณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ ถ้างั้นก็มาต่อนะเทน้ําใจตอนที่สี่ชื่อตอนว่ามิตรภาพที่รักเราฟังหัวข้อใหญ่ก็คงจะรู้แล้วนะใช้คําว่าเทน้ําใจมัทั้งสตอนจะเป็นเรื่องของน้ําใจเรื่องของความเอื้ออาทรเรื่องของมิตรภาพราอรไรต่างๆตอนที่สี่นี่ เป็นตอนจบละโลกนี้จะรู้สึกอบอุ่นน่าอยู่เปลียมกระแสรักแห่งมิตรภาพมากกว่านี้หากอารมณ์ของคนจำนวนมากมีความรู้สึกด้วยดีต่อกันอย่างถูกต้องมิใช่มีมุมมองกันอย่างอุตริสายตากลับคือมองเห็นความอ่อนโยนอันประกอบด้วยความเมตตาเห็นใจผู้อื่นว่าเป็นความอ่อนแอ แล้วมองเห็นความแข็งกระด้างที่รุนแรงมากเข้มว่าเป็นความแข็งแกร่งนะอันนี้เป็นบทนําซึ่งมจะมีนะทุกวันนี้เราเราพูดถึงทั่วๆไปก่อนเราจะเห็นได้เลยว่าในสภาพสังคมนะธรรมดาธรรมดาที่เราพบเห็นคือกลายเป็นว่าคนที่ทำดีเนี่ยหรือว่าคนที่เมตตาคนอื่นใจดีกับคนอื่นเนี่ย ในสายตาของคนทั่วไปกับจะรู้สึกว่าเนี่ยใจอ่อนหรือว่าอ่อนแอหรือว่าอย่างเนี้ยโดนเอารัเอาเปรียบง่ายหรืออย่างเนี้ยเสียเปียบเขาคือคือจะมีความรู้สึกอันเนี้ยมากเพราะนั้นในที่สุดกลายเป็นตัวข้ามหรือว่าต้องเป็นคนที่อะไรเนะี่ยใจแข็งหน่อยแข็งดังหินคือใจหินนะต้องเป็นแบบใจหินหน่อยแล้วก็แบบว่าไม่ได้นะ ไม่ต้องช่วยเหลืออะไรกันหรอกนะใครดีใครอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เอาชนะคะาคารันเ อ, อาเองต่างซึ่งอย่างนั้นเน่ะเขากลับว่าเออไอคนที่มันมันเหี้ยมหรือว่ามันโหหรือว่ามันร้ายหรือว่ามันมันแบบว่าเหนือกว่าคนอื่นมีอานาจมากกว่าคนอื่นคือกลายเป็นอย่างนี้แหละกลายเป็นบีและบุรุษหรือกลายเป็นสิ่งที่ คนชอบแล้วก็อย่างนี้แหละมันถึงจ ะ, ะไม่มีใครที่จะมากล้ายุ่งยากอะไรได้อะไรได้เลยนะเพรา ะ, ะนั้นสังคมทุกวันนี้เราจะเห็นเลยว่าส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นอกจากมีผลประโยชน์ที่จะตอบแทนกลับมาที่ทำให้เขาได้ผลประโยชน์จะราบยศสรรเสริญสุขอะไรก็แล้วแต่เขาถึงจะเสียสละ ไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าจะเสียสละโดยที่รู้สึกว่าไม่ได้อะไรกลับคืนมาเขาถือว่าเป็นความโง่เขลาเขาจะไม่ไม่ยอมที่จะทำอย่างนั้นแล้วใครไปทำอย่างนั้นก็ต้องโดนติโดนว่าโ ง, งา่วันส่วนใหญ่เลยเดี๋ยวเนี้เอาง่ายๆที่สุดเลยขึ้นรถเมย์เนี่ยหาได้น้อยคนแล้วที่จะลุกให้ให้คนอื่นนั่งหาน้อยคนจริงๆแต่สมัยก่อนเราจะเห็นนะ บางทีผู้ชายเนี่ยผู้ใหญ่มักจะลุกให้กับผู้หญิงนั่งหรือให้เด็กหรือให้บางทีคนที่เข า, เาแก่คนแก่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้หรือคนที่บางทีเขายู่ของผลุงพลังน่าจะมีใจที่จะเอื้อเฟื้อแล้วก็ลุกให้นั่งแต่เดี๋ยวนียไม่เพียงแต่ไม่ลุกให้นั่งนะมองมองด้วยนะมองมองแบบเพราะว่ามีเหมือนกันว่า บางคนเนี่ยพอพอเขาก็ยืนไม่เมื่อยเข้าหรือว่าบางทีเขาก็อยากจะหาที่นั่งบางทีเขาจะมาไงเออเขาจะมาพิงพิงบ้างมาเบียดเบียนบ้างเหมือนกับให้รู้ตัวบ้างน่ารักครจะลุกแต่มใม่เราก็เฉยไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรที่จะเอื้อเฟื้อเห็นใจอะไรกันเลยเพราะเราจะเห็นเลยว่าเนี่ยเนี่ยง่ายๆทุกวันนี้อย่าว่าแต่ อย่างนี้เลยนะพระขึ้นไปอ่ะอาตมาก็เจอมาแล้วอ่ะของจริงก็เจอมาแล้วขึ้นไปเนี่ยไม่มีใครลุกให้นั่งเลยสีกากก็สี ก, กลากอ่ะขึ้นมาแล้วไม่มีใครลุกให้นั่งมีอยู่คราวนึงรีบลงเลยพอพอขึ้นไปได้สักป้ายสองป้ายแป๊บไม่มีใครลุกให้นั่งเลยรีบลงเคยเล่าให้พวกเราฟังแล้วที่รีบลงเนี่ยเพราะว่า แม่มันมันอายแทนคนบนรถเมย์มันอายคนที่เขานั่งอยู่บนรถเมย์เนี่ยเรียกว่าเออเขาก็เห็นเรานะแล้วเขาก็ไม่ลุกให้นั่งเลยเนี่ยคือมันอายแทนเพราะว่ามันเป็นการประจานมันเป็นการประจานว่าโอโ้เดี๋ยวนี้คนไทยเนี่ยนะฮที่ที่โดยสารรถเมย์นี่มันไม่มีความศรัทธามันไม่มีความเคารพในจีบอลพระเอางี้ก็แล้วกันไม่มี เรื่องของความเป็นพุทธอยู่ในหัวใจเลยอ่ะก็เห็นอยู่ชัดๆทนทั่วอย่างเงี้ยไม่รู้ก็ก็นั่งเฉยอย่อางนั้นน่ะเพราะฉะนั้น่ะถึงบอกว่าโอ้โหแย่จริงๆนะแต่มีตหลังเนี่ยมีอยู่อีกครั้งหนึ่งหลังหลังจากทีเ่เคยแบบว่าขึ้นไปแล้วไม่มีใครลูกให้นั่งเนี่ยแล้วอันมาก็ลงรถเมลเลยนะแต่ตาหลังเนี่ยก็รู้สึกว่าแหม มันน่าจะประจานมัน้มันน่าจะประจานคนบนรถเมย์มั้งมีขาวหลังเนี่ยอาจามาก็ไม่ลงะนะอาจามันก็ยืนอย่างนั้นแหละก็ยืนเอ่อก็จับราวเหมือนกับ ท, ที่เขาจับราวกันแหละก็ยืนจับราวก็ยืนจับไปนานนะจนเรียกว่าไปครึ่งทางค่อนทางได้ถึงจะแบบว่าตาหลังมีคนลุกขึ้นก็เขาลุกขึ้นเขาจะลงอะ่ะเขาไม่ใช่ลุกขึ้นให้เรานั่งนะเขาลุกขึ้นเพราะเขาจะลง แล้วเราก็เลยมีที่ว่างแล้วเราก็เลยนั่งแต่นั่นแหละอาตมาถึงบอกว่าโอ้โหมันแย่จริงๆว่ามันมันอะไรอะจิตวิญญาณของคนเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนไปจนเอกความมีน้ำใจความมีไมตรีความมีศรัทธาในความดีเนี่ยมันลดลงเรื่อยลดลงเรื่อยลดลงเรื่อยจนนี่แหละที่บทนําเนี่ยที่กล่าวไว้เนี่ยมันเลยกลายเป็นเห็นคนเมตตาเห็นคนใจดีเนี่ย กลายเป็นคนอ่อนแอไปแล้วส่วนเห็นไอ้คนที่บันแหมยิ่งโหดยิ่งกระด้างยิ่งเอารัดเอาเปรียบคนอื่นได้แหมแล้วก็ยิ่งถ้าล่ํารวยนั้นแล้วก็มีทรัพย์สินมีอํานาจโอ้โหยอย่างงั้นสิเท่ย่างงั้นสิเรียกว่าแหมอยากมีอยากเป็นกลายไปเป็นอย่างนั้นเลยทั้งยิง่งยิ่งโอ้โหทั้งเห็นแก่ตัวทั้งเอารัดเอาเปรียบทั้งบางทีนี่ทุจริตคอร์รัปชัน ต, ต, ต, ตนาน่างๆนานาจนกระทั่งมี <c oughs> มีลาบมีสรรเสริญมียศมีอะไรตามที่ตัวเองเนี่ยไขว่คว้ามาได้จากจากการทุจริตบางทีแต่อยากไม่อยากเป็นอย่างเขาแหละมันถึงบอกว่ามันไม่ไหวเลยนนคนมันเปลี่ยนไปเยอะวันยิ่งใครเนี่ยทุกวันนี้ที่คุณสามารถที่จะเป็นคนดีแลกล้าที่จะเสียเปรียบอย่างรู้รู้นะ ไม่ใช่แบบโง่ๆเสียเปรียบแบบ ร, รู้ๆนะมีญาณปัญญาที่จะรู้ว่าเนี่ยเนี่ยเราเสียสละให้เนี่ยเรายอมเสียเปรียบให้โดยที่ไม่ได้เสียธรรมะแล้วก็เป็นการเสียสละของเราคือถ้าใครเนี่ยทาใจได้อย่างนี้ท่ามกลางสังคมที่มันเลวร้ายสังคมที่มันตกต่ําลงมามากมายแล้วนี่โอ้โหแสดงว่าคุณต้องยอดเยี่ยมมาก คุณต้องมีคุณธรรมคุณต้องมีความดีที่พูดง่ายนะต้องสูงพอคุณถึงจะไม่โดนไอ้สภาพสังคมที่มันต่ําเนี่ยมันฉุดลงไปคุณยังกล้าเสียสละได้ว่าอันเนี้ยนะจงภูมิใจถ้าเราอยู่ในสังคมปัจจุบันนี้แล้วเรายังทําดีได้อยู่นะกล้าเสียสละได้อยู่นี่ถือว่ายอดเยี่ยมจงภูมิใจในอันนี้ เพราะว่าบางค น, นไม่มีความภูมิใจในสิ่งนี้แล้วก็ที่ไม่ภูมิใจเพราะรู้สึกว่าเอ๊ะไอ้ น, นี่เราโง่ป่ะเนี่ยเราเราทำตัวอยู่อย่างเนี้ยยิ่งโดนบางทีโดนคนอื่นเขาว่ามาไงโดนคนอื่นเขาว่าก็เลยยิ่งยิ่งยิ่งอายยิ่งกลัวยิ่งไม่กล้าที่จะทำดีสมัยก่อนมีเห็นคนตาบอด หรือว่าเห็นเด็กเห็นอะไรเนี่ยคนจะช่วยพาข้ามถนนหรือช่วยช่วยแบบว่าช่วยเหลือนะคนที่อ่อนแอแต่อย่างนี้แทบไม่เห็นเลยนะมีน้อยมากซึ่งเราเองเราจะเห็นว่าโอ้โหสภาพสังคมนี่มันมันมันแย่เพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยนะไม่มีความหนักแน่นไม่มีความมั่นคงไม่มีความชัดเจนในเรื่องคุณของคุณความดีที่จะเสียสละแล้ว คนนั้นจะไม่กล้าทําดีมันสังคมทุกวันเนี่ยที่คนดีเนี่ยมันน้อยลงเรื่อยเืยเพราะคนไม่กล้าทําดีมากขึ้นเรื่อยเื่อยายกลัวต่างๆ่านั่นนะวันคนที่จะมาทําดีทุกวันนี้ได้ต้องมีความกล้ า, าหาญมากๆกล้าไหมล่ะไม่ใส่รองเท้าเดินน่ย <laughs> กล้าไหมล่ะไปไหนผมเกินกลียนหน่อยกล้าหรือเปล่า เออผมไม่ได้แม้จะต้องไปอะไรอย่างเขาเงี้ยหน้าไม่ต้องอะไรนะผัดแป้งทาลิปสติกทาเปลือกตาอะไรพวกเนี้ยเออไม่ต้องใส่ตุ้มหูไม่ต้องประดับกรงทรงเครื่องอะไรกล้าไหมล่ะแค่เนี้บางคนก็ไม่กล้าแล้วแต่มาเคยเห็นจริงๆบางคนเนี่ยแค่ไม่แต่งหน้าทาปากอะไรหน่อยไม่กล้าออกจากบ้านแล้วแค่เนี้โอ้ มันจะอะไรกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความอายเป็นความกลัวต่อสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เราเนี่ยจริงๆเราทำได้แต่เรากลับกลายเป็นกลัวสภาพสังคมหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่มันอะไรมันขัดแย้งกับความดีเนี่ยเราก็เลยไม่กล้าเลยมันถึงบอกว่าทุกวันเนี่ยใครที่กล้าต่อต้านนะไม่ทาตามสิ่งที่ไม่ดีได้ คุณไม่ได้ไปเอาเรื่องเราอะไรกับใครนะเพียงแต่ว่าเราไม่ทําตามอ่ะในสิ่งไหนที่มันไม่ดีมันเป็นอบายมุกแหมเขาเห่อเขาบ้าฟุตบอลโลกกันสมมุติแต่เราโอ้ไม่ดูก็ได้เราไม่เห็นต้องไปเชียร์ไม่เห็นต้องไปใส่ใจสนใจก็ได้อะไรเงี้ยโอคุณกล้าไหมในขณะที่โอ้โหทั้งทีวีทั้งโทรทัศน์ทั้งอไอหนังสือพิมพ์ทั้งอะไรต่างๆโหเขาเชียร์กันซะ บ, บ้านหันแหลกแต่เราเองเราแบบ ไม่ต้องได้ไหมล่ะแล้วก็ไม่กลัว้วยไม่อายเลยเขาเขาพูดมาแล้วเอาใครชนะเนี่ยฟุตบอลโลกปีนี้อาจจะไม่รู้เลยนะบางคนอ่าอายเหรอไม่ไม่รู้ไม่สนไม่เห็นต้องรู้เลยก็ได้อย่างเงี้ยเราก้าไหมอ่าบางคนรู้สึกว่าแหมโอ้โหข่าวใหญ่ข่าวดังระดับโลกอย่างนี้เราไม่รู้นี่มันอายเขาอ่าบางคนก็จะไปคิดอย่างงี้ เพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของสัมมติทิเรื่องของความชัดเจนนะถ้าเราชัดเจนในสัจธรรมชัดเจนในกุณธรรมเนี่ยเราจะไม่อายแล้วเราจะไม่กลัวต่อไอ้สภาพที่มันไม่ดีสภาพที่มันเลวร้ายแล้วเขาจะเอาสภาพที่ไม่ดีสภาพที่เลวร้ายนะ่ะมาข่มเราหรือว่ามาเบียดเบียนเราเนี่ยเราจะไม่กลัวแต่ถ้าใครไม่ชัดเจนในสิ่งเหล่านี้เราจะกลัว แล้วคนที่กลัวเนี่ยก็ทําให้ในที่สุดเราไม่กล้าฝืนเราไม่กล้าต้านความเลวร้วายพวกนี้เมื่อคุณไม่กล้าฝืนคุณไม่กล้าต้านอะไรที่จะเกิดขึ้นนะมันก็ต้องทําตามเขาไปตั้งต้นเองถูกไหมไม่อทําตามเขาอะ่ะถ้าสภาพแวดล้อมคุณเป็นยังไงคุณก็ต้องเข้าเมืองตาเหลียวก็ต้องเหลียวตาตามก็ต้องเป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นเขา ติดอยู่ในอบายามุกเราก็ต้องพลอยติดอบายามุกตามไปด้วยมันจะไม่มีทางดิ้นหลุดออกมาเลยในที่สุดก็ต้องกลายเป็นยอมมอบตอนในทางที่ผิดก็จะเข้าสูตรนี้คือยอมมอบตอนในทางที่ผิดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่านั่นแหละเราจะกละ้าๆเราจะใจแข็งๆเราจะใจเด็ดๆที่จะฝืนออกมาให้ได้บางทีอาจจะต้องโดนดุ หรือบางทีอาจจะโดนดา่าหรืออาจจะโดนอะไรอ่ะเขาเล่นงานเอาเลยอ่ะอาอาจบางคนอาจจะต้องโดนถึงขนาดนั้นเพราะไปอยู่ในดงที่มันเลวร้ายามากมากที่เรียกว่าเขาไม่ยอมปล่อยคุณออกมาง่ายๆเราะถ้าคุณจะออกจากแก๊งเขาคุณจะออกจากค่ายของเขานี่เขาต้องจัดการคุณเพราะบางคนเลยแบบโอ้โหนะก็ไม่รู้วิบาก กรรมอะไรที่เราไปทำไว้ทำให้เราเนี่ยโอ้โหต้องไปอยู่สภาพแวดล้อมที่มันเลวร้ายมากๆเพราะฉะนั้นยิ่งเรารู้วิบากกรรมแบบนี้ของเราเนี่ยยิ่งต้องดิ้นให้แรงนะต้องฝืนกันให้สุดๆให้หลุดออกมาให้ได้ใครทำอย่างนี้ได้แล้วคนนั้นแหละนะถึงจะอิสระถึงจะเสรีภาพนะใจมันถึงจะแบบว่าทั้งใจทั้งตัวเนี่ยมันถึงจะหลุดพ้นจากจากไอ้สภาพแวดล้อมเดิมๆ โดยเฉพาะเนี่ยตอนนี้ที่อามานึกได้เนี่ยคือนึกถึงพวกที่ติดยาคนที่ติดยาเนี่ยยาเสพติดพวกที่ติดหยาบยาบหนักๆน่าจะติดพวกเฮรโรอีนติดพวกเฮ้ยเดี๋ยวนี้ยาทุกวันนี้มันไม่รู้อะไรบางแล้วยาอียาบ้ายาอะไรอ่ะมันเยอะเหลือเกินมันมันมีผลิตแปลก แ, กแกใหม่ๆอ่เรื่อยๆเลยแต่นี้อาจานึกถึงเอว่าสมัยก่อน อโศกเราเนี่ยเราเคยไปอบรมพวกนี้นะเขาขอให้เราไปช่วยอบรมมีอาจมาก็เคยไปอบรมอยู่สองครั้งหรือสามครั้งเนี่ยจำไม่แม่นแล้วก็ได้ไปพูดคุยกับพวกนี้เขาเห็นชัดเลยเขาบอกเลยนะเขาบอกปัญหาของพวกติดยาเสพติดที่ไม่มีทางแก้แล้วแก้ไม่ได้เนี่ยแล้วต่อให้อีกคนที่มันจะแก้นี่มันพยายามจะสู้ยังไงนะบางทีในที่สุดก็ต้องแพ้ในที่สุดเพราะอะไร เพราะมันไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆไอ้ที่พวกพวกที่มันมีอิทธิพลต่อไอ้คนเนี่ยมันก็ยังคุมอยู่เหมือนเดิมเพราะในที่สุดพอไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆตัวเองพยานะพยามนะพยายามพยายามแต่มันสู้ไม่ไหวกับไอ้สภาพแวดล้อมที่มันที่มันอะไรอะ่ะมันควบคุมเอาไวอ้อ่ะบังคับใจเราเอาไว้จนในที่สุดก็ติดเหมือนเดิมบางคนนะ อ, อะไรอะ่ะมาอยู่สถานบําบัด เออสามารถที่จะลดละได้ขนาดหนึ่งนะสมมุติว่าอ้อาวเดือน6เดือนหรือปีหนึ่งเออก็ลดละไปได้แล้วพอกลับตอนนี้ก็ปล่อยกลับให้ไปอยู่ในที่เดิมคือคือปล่อยกลับบ้านนั่นเองไอ้นี่มันก็กลับไปอยู่ในสภาพเดิมมันก็ไปเจอไอ้สิ่งเลวร้ายต่างๆที่ตัวเองเคยเจออยู่เพราะในที่สุดเจอเข้าอาไอ้ตอนตอน้ตนๆก็ยังพอสู้ไหว อพอสู้ไปรอบสองรอบสามรอบสี่เดี๋ยวมันสู้ไม่ไหวมันก็เสร็จจนได้ในที่สุดก็ติดอีกแล้วเขาก็บอกเลยบอกว่าเนี่ยถ้าให้กลับไปอยู่สภาพเดิมเดิมเนี่ยจะไม่มีทางแก้ได้เลยไม่มีทางเลยเ พ, เพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันถ้าพวกเราเองไปสังเกตดูนะคราวนี้ย้อนกลับมาพูดพวกเราแต่ละคนนะเราไปดูกิเลส ต, ตัวไหนของเราก็ได้กิเลส ต, ตัวที่ที่ ที่เราคุ้นเคยที่เราเคยชินที่มันเคยเป็นเพื่อนซี้กับเรามานาะนจนสนิทสนมกลมเกลียวกิเลสตัวนั้นเราเรียกว่าสักยะกิเลสตัวนั้นเราเรียกว่าสัก ก, ะ <c oughs> นะกยกกกะให้ไปดูเหอะคุณแทบจะไม่ต้องบางทียังไม่ต้องไปเจอของจริงเลยนะคุณแค่นึกพับเนี่ยขึ้นทันทีเลยทั้งรูปรสกลิ่นสีแสงเสียงสัมผัสอะไรขึ้นมาได้หมดทุกอย่าง เพราะว่าคุณคุณเคยเสพมันจน ค, คุณแล้วเนี่ยทันทีเลยแทบจะไม่ต้องกดเลยอ่ะนะเพราะว่าจิตเราไม่ต้องกดถ้ามันอยู่ข้างนอกยังต้องกดปุ่มไอ้ น, นี่มันอยู่ในจิตเราเนี่ยมันแว บ, บปั๊บขึ้นเลยทันทีแล้วพอมันขึ้นแวบเนี่ยนะไอ้ที่คุณเคยสุขคุณเคยเสพยังไงเนี่ยมันมาได้หมดเลยสภาพนั้นๆ น, น, นะมันจะมาทันทีเลย เพราะันคนติดยาก็จะเป็นสภาพนี้เหมือนกันเพราะนั้นปั๊บมันจะขึ้นมาทันทีแล้วมันก็จะอยากจะอยากจะทำเหมือนเดิมอีกแล้วเพราะฉนั้นานี้กิเลสของเราตัวไหนก็ตามนะถ้าพูดถึงเรื่องกินสมมตินะใครที่เคยชอบกินอะไรที่สุดในชีวิตของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ใครชอบกินอะไรที่สุดเนี่ยไม่ต้องหลับตาเลยเนี่ยเยลืมตามองอัตมา น, นี่แหละแต่แต่พอพูดถึงว่า โอโหที่ลอะไรเราเคยอร่อยที่สุดนะนะจิตคุณนึกปั๊บนี่ทันทีเลยคุณนึกถึงโอโหความหอมหวานมันเผ็ดหรือว่ารสชาติอะไรมันมาทันทีเลยคุณคุณได้เลยคุณก็เลืมตาเฉาเฉาอยู่อย่างนี้แหละก็ฟังอยู่อย่างนี้แหละแต่มันขึ้นมาได้ทันทีเลยบางคนเนี่ยพูดไปแล้วเดี๋ยวก็นาลายหกบางคนนะ่ะทันทีเลยใช่ไหมโดยที่ไม่ต้องไปนึกอะไรมากเลยเพราะว่ามันมันเหมือน ย่างกับเป็นตัวเราเลยมันเหมือนกับยามันเป็นตัวเราเลยเพราะมันอยู่กับเรามา น, นานนานจนกระทั่งบางคนเนี่ยเผลอคิดว่ามันคือตัวเราเลยซ้ำไปจนกระทั่งถ้าใครเนี่นะยิ่งคิดว่ามันคือตัวเรามันคือตัวเราคนนั้นอาจยิ่งไม่มีทางเลิกเลยไม่มีทางแก้ได้เลยยิ่งยากหนักข้อขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะเริ่มรู้แล้วก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่ตัวเรา จริงๆแล้วมันเป็นแขกจรที่มันแวะมาเยี่ยมเราแต่ว่ามันมาเยี่ยมเนี่ยหมายถึงว่ามันมาเยี่ยมเราเนี่ยมันมาเข้าบ้านเราบ่อยๆบ่อยๆเราต่างหากไปเผลอนึกว่ามันเป็นเจ้าของบ้านเราเองเป็นผู้ไปเผลอคิดว่ามันเป็นเจ้าของบ้านจนในที่สุดไอเราเนี่แหละที่จริงเป็นเจ้าของบ้านแต่ว่าเขามาบ่อยๆบ่อยๆบ่อยไปบ่อยมานี่เขาเข้ามาทําครัวเขามานอนห้องเราทําไปทํามาเรา เราจะกลายเป็นแขกไปซะแล้วมั้งไอ้แขกที่มันมาบ่อยๆนี่มันจะกลายเป็นเจ้าของบ้านไปจนกระทั่งหลงเนี่ยใครหลงก็ไปคิดว่าไอ้แขกจอนี่มาเป็นเจ้าของเรามาเป็นเจ้าของบ้านที่เราอยู่ทาง้างนดีคว่าไม่จริงไม่ใช่เราต่างหากเราเป็นเจ้าของบ้านมันเป็นแขกที่มาอยู่มันถึงบอกว่าถ้าเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยเราเรามีความกล้านะคุณจะไม่เกรงอกเกรงใจคุณไล่มันไปได้คุณไล่มันเลย นะมันจะทําเป็นโกรธมันจะทําเป็นโมโหคุณมันจะทาเป็นแมด่าคุณหรือว่าจะมาทําเป็นสําออยร้องหม่มร้องไห้นะเรียกร้องหรือว่าไม่รู้อ่ะจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เราใจอ่อนเนี่ยถ้าคุณรู้อย่างนี้แล้วคุณก็จะใจแข็งแข็งคุณจะไม่ยอมใจอ่อนที่จะไล่มันออกไปให้ได้อย่างนี้นะเราถึงจะเรียกว่าปรับเปลี่ยน <c oughs> ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ปรับเปลี่ยนจิตใจเราได้แล้วคนนั้นน่ะปฏิบัติธรรมแล้วถึงจะสําเร็จเราถึงจะได้ผลนั่นแล้วก็จะมีสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะมีสัมมาทิฏฐ <c oughs> ิเนี่ยที่ชัดขึ้นแล้ววันหลังโอกาสที่เราจะไปโดนหลอกเนี่ยนั้นะหลอกจากพวกกิเลส ต, ต่างเนี่ยโอกาสที่เราจะโดนหลอกเนี่ยจะน้อยลงไปเรื่อยน้อยลงไปเรื่อยจนในที่สุดมันจะไม่มีทางมาหลอกเราได้เลย แล้วคุณก็จะไม่เผลอตัวไม่เผลอใจด้วยแล้วคราวนี้เราไปอะไรอ่ะไปอยู่ในหมู่กลุ่มไหนไปอยู่ในสภาพสังคมไหนก็ตามนาะคุณจะแยกแยะได้ดีแยกแยะได้ถูกว่าว่าเออนี่เราไปเจอคนแบบไหนนะเราจะอยู่กับเขาอย่างไรเราจะทำตัวอย่างไรที่ไม่ทำให้ตัวเราเองตกต่ำไปด้วยอันนี้แหละมันจะ ฉ, ฉลาดขึ้นตรงนี้ นะอารมณ์และความรู้สึกที่ดีที่ถูกต้องนั้นแม้จะแสดงออกมอบให้การเพียงแค่เล็กน้อยก็เป็นการสะสมไออุ่นแห่งความซาบซึ้งใจไว้ได้นานเพราะในสายตาของคนที่มีความจริงใจต่อกันความอบอุ่นเล็กๆน้อยๆยเหล่านี้แหละที่รวมตัวกันเป็นพลังความอ่อนโยนที่แข็งแกร่งซึ่งพร้อมจะช่วยเหลือเต็มที่เห็นใจซึ่งกันและกันทุกเมื่อกระทั่ง เมื่อเกิดผลงานอันยิ่งใหญ่ขึ้นในโลกนี้ได้อกระทั่งก่อเกิดผลงานอันยิ่งใหญ่ขึ้นในโลกนี้ได้คืออันนี้พูดถึงว่าถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิเราชัดเจนในอารมณ์และความรู้สึกนั้นก็จะทำให้คราวนี้ความเมตตาหรือการช่วยเหลือเราก็จะช่วยเหลือคนได้อย่างถูกต้องแล้วก็อย่างชัดเจนความอ่อนโยนไม่ใช่ความอ่อนแอ อันนี้เราต้องชัดนะความเห็นใจคนอื่นไม่ใช่ความเกรงกลัวอเราเห็นใจคนอื่นเนี่ยเพราะาเราเมตตาเราสงสารเราเห็นใจไม่ใช่กลายเป็นที่ช่วยเหลือคนอื่นเพราะเรากลัวเขาอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยนะเราจะต้อง <c oughs> เข้าใจอันนี้เพราะว่าพอเราเข้าใจเ น, นี้ยการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยหรือว่าการที่บางทีเราพบเจอเจอใครนะการที่ได้อะไรอ่ะ ได้พบกันได้พูดคุยกันได้แสดงออกได้ช่วยเหลือกันเนี่ยมันจะช่วยเหลือกันได้อย่างอย่างดีงามแล้วก็อย่างถูกต้องนะบางทีเนี่ยบางครั้งเราไม่ได้ช่วยอะไรมากมายเลยแต่ช่วยแค่เล็กน้อยก็เป็นความประทับใจแล้วประทับใจมากๆสำหรับคนที่ที่ได้รับการช่วยเหลือแต่ถ้าทุกวันนี้บางทีช่วยกันโอ้โห บางทีก้อนใหญ่โตมหาศาลเลยนะช่วยกันดูแล้วโอ้โหอะไรอะระดับบิ๊กๆเลยแต่บางทีเนี่ยเราจะสัมผัสได้ว่าไม่จริงใจอะมันเห็นผลประโยชน์แก่กันและกันมากกว่าโดยที่ไม่ใช่ว่าช่วยเหลือกันด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้ช่วยเหลือกันด้วย อ, อะไรอะความจริงใจต่อกั น, กนวันเนี้ย สภาพสังคมสภาพเศรษฐกิจส่วนใหญ่คุณดูครับบางทีเนี่ยบางครั้งบางที่เนี่ยก็บอกว่าเขาลดราคา น, นในสินค้าที่เขาขายเขาบอกว่าเขาลดราคาขายถูกๆเอาขายไปดูสภาพภายนอกแล้วบางทีรู้สึกเออมันน่าจะดีนะขายสินค้าราคาถูกแต่ไอ้บางทีที่ขายสินค้าราคาถูกเนี่เพื่ออะไร <S <S เพื่อที่จะไม่ใช่เพื่อที่จะจัดการไอ้คนข้างๆให้หมดก่อ <laughs> นะเขาจะได้อยู่กันไม่ได้นั้นะเสร็จแล้วพอพอไอ้ข้างๆนี่ขายไม่ได้ใช่ไหมไอ้นี่ขายถูกไปได้เสร็จพอพวกนั้นเจ๊งกันไปหมดคราวนี้เดี๋ยวขึ้นราคาเดี๋ยวค่อยขึ้นราคาเพราะอันนี้เหลือเขาเจ้าเดียวแล้วน่าจะอยู่ที่เขาทั้งหมดเลยเอยประเทศอะไรนะอินโดเหรออจนจินนาดําการอีกอันหนึ่งก่อนหน้านี้ที่เกิดแบบโอ้โหจราจนเงินอย่างมากเลยอินโดหรือปะอินโดนีเซียใช่ไหม อนั่นแหละโอ้โหไปพังเพราะว่าคนจีนที่ไปอยู่ในอินโดใช่ไหมมันก็เหมือนกับเหมือนกับนายทุนนั่นแหละที่เรียกว่าแบบห้าสับสินค้าใหญ่นั่นแหละในที่สุดแล้วไอ้พวกชาวบ้านของอินโดจรีนมันก็จนมาหลอกกอกอยู่เหมือนกันมันไม่สามารถที่จะไอ้นั่นได้เลยจนในที่สุดทนไม่ไหวมันสู้ไม่ไหวมันก็เลยเจลาจนมันก็ไอ้นั่นกันไปเลยโอ้โหไปพังเข้าของไป อะไรอะ่ะไปเอาของเขามาแล้วก็เผาอะไรต่ออะไรนั่นแหละงันในที่สุดสภาพยังเป็นอย่างนั้นถึงบอกอันเนี้มันมันจะต้องมีความฉลาดด้วยแล้วเราจะต้องรู้บางทีดิถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่ได้คิดอะไรเนี่ยก็นึกว่าเออก็ขายของถูกๆแค่นี้ก็ดีแลเออไอ้ น, นี่มันสะดวกดีนะไปแล้วก็ดูแล้วเหมือนกับเขาบริการดีแล้วก็มีน้ําใจอยนะ่างเนยแต่จริงๆมันมีผลประโยชน์ที่ซ้อนอยู่ ซึ่งเจ้าเราเนี่ยไม่รู้ตัวเราก็เสร็จเพราะอันนี้เป็นเรื่องเรื่องที่เราเนี่ยจะต้องรู้เข้าใจแล้วบางครั้งเออเราน่าแม้ว่าบางทีเราอาจจะต้องซื้อของแพงบ้างนะไม่ถึงกับถูกแบบในห้างนาแต่จากร้านเล็กร้านน้อยที่เป็นของคนไทยเนี่ยเอ้าบางทีเราก็แม้เคยซื้อมาตั้งนานแหมคราวนี้ทำไมจะซื้อไม่ได้เขาไม่ได้บบขายแพงอะไรก็ <c oughs> ขายในราคาปกติที่มัน ขายกันอยู่เองแต่ห้างเนี่ยมันสามารถได้ได้ต้นทุนที่ถูกลงไปอีกไงบางทีมันก็ลดต่ำลงไปอีกอย่างเงี้ยนะซึ่งต่างจากพวกเราตอนนี้พวกเราเนี่ยเรามาทางระบบบุญนิยมเนี่ยเราก็พยายามขา ย, ขายของให้ถูกลงมานะเราถูกนี่เราพยายามให้ถูกอยู่เรื่อยอะพยายามจะให้ถูกตลอดการด้วยยกเว้นว่าในที่สุดเราไม่ไหวแล้วก็ต้นทุนมันสูงขึ้น เราก็จะขึ้น ร, ราคาเหมือนกันถ้ามันจําเป็นแต่เราก็ขึ้นแบบชนิดที่เรียกว่าตามที่จําเป็นเราจะไม่ช่วยโอกาสอันนี้เป็นนโยบายเลยที่พ่อท่านพยายามกําหนดให้พวกเราว่าไม่ช่วยโอกาสต่อให้บางทีเนี่ยโอ้โหไอสินค้าตลาดนี่นะบางทีมันราคาสักสิบบาทแต่ทุนเราได้มาจริงจริงบางทีโอ้โหไม่ถึงครึ่งเลยเราได้มาแค่สามสี่บาทอย่างเงี้ยใช่มจริงจริงเราโอ้โหเข้าต้องสิบบาท โอ้ยเราก็ขายต่ำกับตลาดนี้เดียวก็พอแล้วก็ถือว่าต่ากว่าตลาดแล้วเราขายที่แปดบาทก็แล้วกันโอ้โหจริงๆนั่นเราเอากําไรตั้งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะนแะเพราะฉะนั้นไม่เอาของพวกเราก็ไม่ทําอย่างนั้นนะแม้มีโอกาสที่โอ้โหเอากําไรได้มากๆเราก็ไม่ทำํำเราก็ขายไปตามเปอร์เซ็นต์ที่เราบวกอย่างของเราอะ่ะบวกเท่าไหร่บางทียี่สิบเปอร์เซ็นสิบเอร์เซ็นต บางทีห้าเรสามเปอร์เซ็นต์ก็บวกแค่นิดหน่อยเองแต่ในความนิดหน่อยในความเล็กน้อยอย่างของเราเนี่ยเรามีความจริงใจแล้วเราก็มีความต้องการที่จะเสียสละเพื่อเขาจริงๆเนี่ยมันจะเป็นความแตกต่างซึ่งอโศกเราเนี่ยรอดมาถึงทุกวันนี้ได้เพราะเรามีความจริงใจที่มากพอ